วันนั้นก็คือมาสอนไม่ได้แต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นก็คงจะเป็นสิดสิดปี <c oughs> ในการที่ดำเนินการสอนเรื่องของสมาธิมาโดยตลอดนั้นโดยจุดมุ่งหมายต้องการให้นักศึกษาทุกทุกคนเข้าใจความละเอียดและเข้าใจ อทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่ให้มีอะไรที่มีความสงสัยติดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเมื่อใครสงสัยต่างนั้นก็ให้บันทึกเอาไว้เพื่อที่จะได้แก้ความสงสัยต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของมีความละเอียด พอสมควรเพราะเหตุที่ว่าเป็นเรื่องของนามธรรมการที่จะเอานามธรรมมาเพื่ อ, อขยายออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมนั้นมีวิธีการต่างๆเยอะแย ะ, ยะอย่างที่พระอาจารย์สมัยเก่าเขาจะเอาเรื่องนามธรรมเนี่ยเอามาเป็นรู ป, ปรธรรมจนกระทั่ง คนเข้าใจผิดว่ามันจะเป็นจริงเหมือนกับคำที่พูดและทีหลังมาเนี่ยเขาก็ได้พากานลงความเห็นว่าพระอาจารย์เก่าก่อนนั้นเป็นผู้ที่งมงายจริงๆแล้วพระอาจารย์เก่าก่อนเขาไม่ได้งมงายแต่เขาเอาเรื่องของนามธรรมเอามาแปร หรือว่าเอามาแปลเป็นรูปประธรรมตัวอย่างเช่นการเจ็บการปวดการเมื่อยการเหนื่อยการหิวความทุรนทุรายเขาก็เอามาวาดเป็นยักษ์แล้วก็เอามาวาดเป็นตัวสัตว์ต่างๆแล้วทีนี้ผู้ที่มาสุดท้ายภายหลังมาก็ไม่ได้คบคิดเรียกว่าเชื่อเอาเลย ในเมื่อเวลาเขาวาดภาพออกมาอย่างนี้ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นเขาทำยักษ์วัดแจ้งแล้วก็ยักษ์วัดโพยักษ์มันเป็นยังไงยักษ์มันก็หน้ามันก็ย่นย่นถ้าหากว่ายักษ์วัดโพก็หน้าเขียวแล้วก็มีเขี้ยวงงอย่างนี้ <c oughs> ถ้าจะเป็นวัดยักษ์กวัดแจ้งก็น้าแดงอแล้วก็เกี่ยวสั้นหน่อยแล้วยักษ์ว่าแจ้งกับยักษ์วัดโพนี่โดยมากแล้วเขาจะทะเลาะกันทะเลาะกันตีกันไปตีกันมาจกนกระทั่งท่าน้ําตรงนั้นเตียนหมดเขาเรียกว่าท่าเตียนแล้วเราก็เชื่ออย่างเต็มที่นะคนอยู่ยักษ์มันออกมาตีกันจริงๆเนี่ยไม่งั้นเขาจะไปเรียกท่าเตียนได้ยังไง แท้ที่จริงนั่นน่ะเขาเอานามธรรมออกมาเป็นรูปประทับเราลองคิดดูสิว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพยักษ์ว่าแจ้งทําไมถึงเขี่ยวสั้นยักษ์เอ้ยไม่เอ้ยัยกษ์วัดแจ้งทําไมถึงเที่ยวสั้นอยักษ์วัดโพทําไมถึงเขียยเข่ยวยาวแล้วยักษ์วัดแจ้งทําไมหน้าแดงยักษ์วัดโพทําไมหน้าเขียวอย่างเนี้ย <c oughs> ก็ลองคิดดูสิว่าเวลาคนมันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันโมโ ห, โหขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันโมโหแล้วมันเป็นยังไงโมโหขึ้นมามันก็หน้าเขียวแล้วก็เขี้ยวกวงงหน้าหน้าเขียวเี้ยวงงนั่นอะ่ะที่จริงแล้วคนที่กำลังโกรธนั่นแ่ะความแข็งเกร้าวนั่นก็กลายเป็นเขี้ยวเมื่อเวลาที่ขิวขึ้นมาเนี่ย มันโกรธจนหน้า อ, อะไรอย่างนี้ทีนี้ทำไมยักว่าแจ้งถึงหน้าแดงอันนั้นโกรธจนกระทั่งหน้าแดงแล้วก็เกี่ยวสันเอ่เอคนที่จะทะเลาะกันนั้นมันมีอยู่สองคนคนหนึ่งก็คงเป็นผู้ชายยักขึ้นมาว่าเอ่อคนเอ่อคนผู้หญิงก็ต้องหน้าแดงฮ เ, เวลาโกรธ ทีนี้คนผู้ชายก็ต้องหน้าเขียวเคยปั้งเคยปั้นเป็นยักษ์แท้ที่จริงนั่นนะเขาออกมาจากจินตนาการเวลาคนโกรธคนโกรธนี่ยังไงเช่นหน้าก็ต้องแย่แน่แน่เวลาถ่ายรูปออกมาคงหน้าดูเวลาที่จิตใจของคนเราเนี่ยในเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นความวาด หรือว่าความพิสดานว่าการสร้างวิมานบนอากาศหรือคิดเนี่ยหมายไายกองแล้วความคิดต่างๆที่คนได้คิดลงไปนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อคิดลงไปแล้วทิ้งเปล่าเมื่อคิดลงไปแล้วเนี่ยมันจะกลับไปเกาะเอ่อเกาะติดอยู่ที่ใจของคนเนี่ยเรียกว่าไทภาพไฟทุกภาพ ไม่ว่าที่จะไปคิดไปทําไปอะไรต่างๆนี่ถูกทายไว้หมดเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะต้องคิดว่าไอ้ใจของเรานี่กแค่ิดเล็กิดเดียวแล้วมันเก็บภาพเหล่านี้ไว้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนจึงได้นึกชาติได้เพราะฉะนั้นคนถึงรู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะไว้หมดเมื่อบันทึก ก่อนที่นอนอยู่ในก้นโอ่งเมื่อตะควาดถุแล้วเนี่ยมันจะพอกใหญ่มหาศารเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้ให้เขาเขียนอยู่ที่บนยอดพระมหาเจ ด, ดีย์ชั้นที่บรรจุพระบรมธาตุลองลองคิดดู่ิว่ามันโตกว่าเขียดเท่าไหร่เขียดละ แสดงว่าข้างหลังไม่ได้ยินคนปรับเสียงปรับยังไงเอ้ยอย่าไปหันไปหันมาสิอันตรงไหนมันดีแล้วก็แล้วกันอ่าไปหันไปหันมาออที น, นี้เราลองคิดดู่ิว่าอ่าไอ้ช้างเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในท้องเกียดได้ยังไง แล้วหลวงพ่อก็เขียนไว้ถ้าใครยังไม่เห็นเนก็ขึ้นไปชั้นบนสุดยอดของพระมหาเจดีย์นี่ก็จะเห็นว่าช้างอยู่ในท้องเขียดอันนี้เป็นข้ออุปมาไม่ใช่ว่าช้างจริงๆไปอยู่ในท้องเขียดได้แต่ว่าการที่เราการที่จิตของเราเนี่ยได้สะสมสิ่งต่างๆไว้นี่มันยิ่งกว่าช้างยิ่งกว่าภูเขาแต่ว่า จิตที่มีส่วนที่ว่านิดเดียวเท่าปลายหัวไม่ถีดเนี่ยแล้วมันบันทึกสิ่งต่างๆนี่ไว้เป็นเท่าภูเขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในจิตของมนุษย์เราทุกคนนี่เรามองกันไม่เห็นแต่ว่าจิตที่มันจะนิดเดียวเท่าปลายหัวไม่ถีดเนี่ยมันจะมีพลังยิ่งกว่าลูกระเบิดปรมณูหรือ ยิ่งกว่ารูกกระเบิดนิวเคลียร์เพราะว่ า, าการที่มันรวมตัวไว้นิดแต่ว่าพลังมันยิ่งใหญ่นั้นจึงเรียกว่าเป็นของอัศจรรย์ใจของมนุษย์นี่จึงเรียกว่าเป็นของอัศจรรย์อัศจรรย์มหาศาลเพราะฉะนั้นในการที่หลวงพ่อได้สร้างหลักสูตราการทําสมาธิแล้วก็มาถึงข้อ หลวงพ่อจึงได้ใชเ้เป็นบทหนึ่งเลยว่าบริกรรมบริกรรมนี้จะมีเยอะหมายความว่า ท, ทั้งบทเลยล่ะเป็นคาเป็นเรื่องของการบริกรรมทั้งหมดในการบริกรรมทั้งหมดนั้นมันมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิมีมความสำคัญมากจึงใช้คาว่า บริกรรมในข้อที่สามทั้งหมดเป็นคำบริกรรมทั้งหมด <c oughs> ที่นี่ก็ระดับเข้ามาถึงว่าการบริกรรมนั้นจุดประสงค์เพื่อให้จิตเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตนั้นคือสมาธิด้วยเหตุนี้เพียงบริเริ่มนึกคำบริกรรมเท่านั้นจิต ก, ก็เป็นสมาธิแล้วจิตของคนเรานั้นจะอยู่นิ่งไม่ได้ จะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิโดยทั่วไปธรรมชาติของมนุษย์มีความเป็นสมาธิอยู่แล้วในบางครั้งธรรมชาติทําให้มนุษย์อยู่ได้อย่างธรรมชาติเช่นบางคนขาดสมาธิก็ถึงเป็นบ้าการบริการจึงเท่ากันกันกบว่ามนุษย์ได้เริ่มสร้างสมาธิขึ้นนอกเหนือจากสมาธิธรรมชาติที่ได้มา ผลประโยชน์จะดีกว่ามากทีเดียวดังนั้นการศึกษาถึงการบริกรรมพุทโธจึงจำเป็นที่จะสร้างศึกษาให้เข้าใจถึงรากฎร์เล่าของความเป็นจริงเราจะทำจะทำให้เราสามารถพัฒนาสมาธิให้กว้างขวางต่อไปถ้าหากว่าเราจะผ่านการบริกรรมเชี่ย โดยที่เราไม่ศึกษาให้ถึงรากเหง้าเราอาจจะวางรากฐานหรืออาจจะแนะนำคนหรืออาจจะไม่เข้าใจมีสิ่งที่ลึกลับคุณค่าของการบริกรรนั้นหาค่าม่ได้ซึ่งผู้บาเพทนจะใช้เวลาไม่นานนักในการที่บริกรรม จะนำเข้าสู่วัตถ ม, มาชฌานเป็นต้นได้ผู้เข้าฌานจะรีเกลี้ยงคำบริกรรมไม่ได้เลยถ้าจะพูดให้เกิดความชัดแจ้งขึ้นคำบริกรรมคือแนวทางเริ่มต้นแห่งการสร้างสมาธิสร้างขึ้นด้วยความสามารถของมนุษย์ผู้ที่ทคิตค้นสมาธิซึ่งนอกเหนือจากสมาธิตามธรรมชาตินั้น เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในคุณค่าของมนุษย์หมายความว่ายัางรู้ถึงภูมิชั้นฐานะจิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีว่าภายในจิตของมนุษย์มีอะไรดีๆอยู่มากมายเหลือขนานับถ้าหากรู้หนทางที่จะนำเอาซึ่งของดีอันมีอยู่ในจิตออกมาใช้คนจัด เย่างนีมันอะไรกันแน่นะ <c oughs> คือหมายความว่ า, อ, าอยังรู้คือการบริกรรมนี่จะทำให้ยังรู้คือหรือผู้ที่สร้างสมาธิขึ้นมาให้เราเนี่ยที่เรานั่งสมาธิกันอยู่ในเวลาเนี่ย <c oughs> บุคคลผู้ที่ริเริ่มหรือบุคคลผู้ได้ที่ได้หาวิธีการสร้างสมาธิที่สร้างขึ้นมานี่เขา จะต้องอยังรู้ถึงคุงชั้นฐานะจิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีว่าภายในจิตใจของมนุษย์นี้มีอะไรดีๆอยู่มากมายเหลือขนานับถ้าหากรู้หนทางที่จะนำเอาของดีอันมีอยู่ในจิตออกมาใช้ถ้าหากถ้าหาก รู้หนทางที่จะนำเอาของดีอันมีอยู่ในจิตนี้ออกมาใช้เพราะพลังภายในใจนั้นสามารถพัฒนาขึ้นมาให้เป็นคุณวิเศษได้ซึ่งความจยกที่จะได้สนับสนุนให้ผู้ที่คิดค้นสมาธิออกมาเป็นหน่วยงานโดยการเริ่มต้นหนทางด้วยการบริกรรมที่ถูกจุด และตรงต่อวิถีที่จะนําไปสู่จุดพลังคือจุดศูนย์กลางของพลังจิตที่สร้างความพิเศษต่างๆให้เราจะต้องเข้าใจว่าการทําทุกสิ่งทุกอย่างหากมีการกระทําซ้ำซากลงจุดเดียวจะทําให้สิ่งนั้นสําเร็จรั่วงลงไปได้เพราะการแน่นลงสู่จุดเดียวเราเรียกว่าจุดพลัง การย้ําลงไปในจุดเดียวนี้ต้องเป็นการยําที่เกิดความพอใจคือหมายความถึงอิทธิบาทพอใจที่จะย้ําลงไปสู่จุดนี้เพราะว่าอิทธิบาทเป็นคุณเครื่องให้เกิดความสําเร็จการเรียนหนังสือของเด็กก็ดีการทํางานอุตสาหกรรมก็ดี อ, อการทําหน้าที่ราชการก็ดีทําธุรกิจก็ดีตลอดถึงการเรียนภาษาวิชาการนับนานับ การนั้นการย้ำลงไปในที่เดียวสำคัญนะทั้งหมดที่กล่าวมานี่ถือว่าการกระทำที่ย้ำลงสู่จุดในหน้าที่นั้นเราเรียกว่าบริกรรมทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อความเข้าใจถึงการกระทำย้ำย้ำนั้นย้ำนั้นๆเพราะว่ากิจกรรมต่างๆมีเหตุผลในตัวของมันเอง อย่างที่ว่าคำว่าพุทโธบริกรรมพุทโธเป็นเหตุผลหนึ่งของผู้คิดค้นสมาธิได้ผลมาแล้วอย่างเหลือขนานับหมายความว่าคำบริกรรมพุทโธนี้บุคคลนำเข้าสู่สมาธิที่ผ่านมานั่นหลายร้อยหลายพันล้านคนในอดีตจนถึงปัจจุบันการบริกรรมที่กล่าวมา แล้วคือสิ่งที่ย่ำลงจุดเดียวบุคคลทั้งหลายที่เข้าดาเนินงานในแต่ะอย่างนั้นได้เป็นผู้บริกรรมในกิจการงานนั้นอยู่แล้วผลก็ปรากฏออกมาเป็นการเปงานดังที่ได้ปรากฏในโลกอย่างมากมายข่ายกองก้อเนื่องมาจากการบริกรรมลงจุดเดียวส่วนการบริกรรมสมาธิพึงเข้าใจถึงจุดบริกรรมที่หมายถึงย้ำลงจุดเดียว ซึ่งผลก็ปรากฏให้เห็นเป็นสมาธิอย่างมากมายบางเกิดความลึกซึ้งมหาชนได้มาซึ่งความสุขในทุกๆขนแห่งของโลกจนทำให้คุณค่าของสมาธิเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพบความดีอย่างวิเศษอาจจะหลงทางก็เป็นได้จึงจำเป็นต้องเน้นเรื่องคำบริกรรมซึ่ง เป็นต้นทางแห่งนักสมาธิว่าอย่าลืมความสำคัญของคำบริกรรมว่าพุทโธ <c oughs> ที่นี้ก็จะได้อธิบายเพิ่มเติมขึ้นอีกว่าการที่คนสามารถที่จะทำศรัทธาให้เกิดขึ้นหรือทำความเชื่อให้เกิดขึ้นย่ำลงไปในจุดเดียวนั้น <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแม้ว่าถ้าหากว่าเป็นทางที่ไม่ดีไม่ใช่เรื่องของบริกรรมพุทโธแต่ว่าเป็นเรื่องของ เ, อ เ, อเป็นเรื่องของความเสียใจหรือเป็นเรื่องของความผิดหวังเรียกว่ายำปิดขังนลพติตามฝีลุก ข, ขงังอันนี้เป็นภาษาบาลี แต่ภาษาไทายก็แปลว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาก็พูดง่ายๆก็คือความผิดหวังนั่นเองทีนี้ความผิดหวังอันนี้มันเกิดยำ่ำเกิดย่ำลงมาในใจเนี่ยย่ำแล้วก็ย่ำอีกย่ำแล้วก็ย่ำอีกจิตใจนี่มันความทอกําเหมือนกันก็คนตีลงไปเ อ, อซ้ําแล้วซ้ําอีก คนนั้นน่ะร่างกายอาจจะสดสวยร่างกายอาจจะรูปหล่อถูกเอไอการย่ำของความผิดหวังเข้ามาสู่ใจของบุคคลผู้นั้นไม่ต้องมากประมาณสักสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งหรือสองเดือนผ่านไปเรากลับไปดูรูปร่างของคนผู้นั้นอีกทีว่ารูปร่างมันจะคงเดิมไหม แม้จะสาวสวยเพียงใดมันจะสูดติดลงทันทีหรือว่าอจะรูปหล่อแค่ไหนแใส่ซะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อการย่าลงไปในที่เดียวแล้วเนี่ยผลมันจะออกมาออกมานี่ว่ากันถึงทางร้ายมันจะทําให้บุคคลผู้นั้นเนี่ยเสียแม่บุคคลผู้นั้นจะมีความเฉลียวฉลาดมากมาย ก็ตัดความเฉลียวฉลาดออกไปแม่บุคคลผู้นั้นจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างยิ่งเขาก็จะตัดวิสัยทัศน์ของเขาออกแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่สูงสกต์อย่างมากมายเขาก็จะลดตำแหน่งของเขาลงไปเพราะเหตุที่ว่าความผิดหวังที่เข้ามาอยู่ในใจเนี่ยไม่มีการที่จะถอน ตัวความผิดหวังนี้ออกได้เพราะฉะนั้นจึง uh, มีผลทำให้เกิดผลร้ายเรียกว่าร้ายจนกระทั่งอาจจะถึงกับสิ้นชีวิตอย่างนี้เป็นต้นและทีนี้เราลองกลับหารกลับมากรงกันข้ามอย่างคนที่มาบริกรรมพุทโธอย่างนี้เมื่อบริกรรมลงไปในจุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวมากเข้าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่ดีต่างๆเนี่ยเพราะว่าคำว่าพุทโธนั้นเป็นคำกลางบางคนอาจจะคิดว่าพุทโธคือพระพุทธศาสนาหรือว่าพุทโธคือพระพุทธเจ้าแท้ที่จริงแล้วคำว่าพุทโธนั้นแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ต่างหากพุทโธนั่นคือใจหรือว่าพุทโธเป็นผู้ตื่น พุทโธเป็นผู้รู้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคําแปลเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องรู้จักว่าความหมายอของการบริกรรมคือเริ่มการกรองเพราะการที่จะปล่อยให้อารมณ์อันเป็นตัวสื่อนี้ล่วงล้าเข้าไปสู่จิตใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ดังนั้นในขั้นต้นจึงต้องใช้พุทโธ แต่บริกรรมอันใดก็ไม่ได้จํากัดไว้ตอนนี้กล่าวถึงการบริการพุทโธจะเป็นเครื่องกานกองอารมณ์ได้อย่างไรเมื่ออารมณ์ของคนเราได้ถูกสะสมมาตั้งแต่วันเกิดเป็นมนุษย์ถึงปัจจุบันแน่นอนต้องสะสมทั้งดีไม่ดีจงเข้าใจว่าการที่มนุษย์ได้สะสมไว้นั้นมีโทษมากมาย เพราะการจับเกาะพ่อคูณขึ้นในระหว่างที่รวมตัวกันจนถึงความพุ่งสั้นเหลือทนานับการบริกรรมพุทโธจึงเป็นเครื่องปัดเป่ากระเทาะหรือทำลายตัวอารมณ์ที่หมักหมมนั้นให้เกิดจางตัวลงเพราะว่าพุทโธแปลว่าบริสุทธิ์แม้จะเป็นการนลกคิดแต่พุทโธนั้นก็เป็นสื่อ คืออารมณ์เข้าสู่จิตตลอดเวลาของการทำสมาธิการแก้ลงตรงนี้จึงถือว่าเป็นการเอาน้ำสะอาดล้างสิ่งสกรปรกจึงชื่อว่าบริกรรมเพื่อความสะอาดก็ว่าได้เหมือนกับสถานที่สกรปกรกเราะกุงลังเน่าเหม็นเป็นเหตุแห่งมลพิษคู่จะกำจัดมลพิษมลภ า, าวะให้เกิดบริสุทธิ์สะอาด จึงต้องใช้กรรมวิธีนานับประการกำจัดมนพิษนี้ออกไปเมื่อเราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นก็จะมีความสุขปลอดภัยสามารถรักษาร่างกายให้มีสุขภาพได้ดีก <c oughs> ็จงพางกันเข้าใจเถิดว่าเมื่อบริกรม ร, ร, กรมไปแต่ละคำบริกรรมไปแต่ละครั้งนั่นคือเพราะว่าใน ของเรา ม, มันมันหมกเรียกว่าเก็บเกาะข้อคูณไว้เยอะแยะแล้วเราก็จะคูณกันไปเรื่อยเหมือนอย่าง ก, ก็สลัมเมื่อเราไม่แก้สลัมมันเหม็นอยู่แล้วก็ถ่ายลงไปใส่สลัมลงไปอีกมีผงอะไรก็ใส่มันลงไปอีกเออทุกวันทุกวันทุกวันอะไรจะเกิดขึ้นวิธีแห่งการ บ, บริกรรมนี้ เป็นบทบาทเริ่มต้นของการกำจัดมนเพทมนภาวะที่เป็นสื่อคืออารมณ์นำเข้ามาสะสมไว้ในเขตนี้คำรูดก็จึงมีความหมายเพราะเราจะคิดถึงว่าคำว่าพุทโธนั่นเป็นพร ะ, พ, ระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมามกานับเป็นสีลแม่ในชาติสุดท้าย บำเพ็ญทุกกิริยาถึงหกปีวันสุดท้ายก็ยังต้องนั่งสมาธิแต่หัวค่ำสั่งแจง้งนี่คือมหากรรมอันยิ่งใหญ่นะกว่าจะมาเป็นพุทโธมิได้มีมหากรรมเช่นนั้นถ้ามิได้มีมหากกรรมเออแต่เราก็ได้นึกพุทโธได้ไม่ยากแล้วก็เป็นผลอย่างดีเพราะมีแนวทางว่าอย่างเหมาะสมทุกประการ ดุจบุคคลแรกคิดไฟฟ้ากว่าเขาจะคิดมาก็หลายชั่วยุคนแต่พอมาถึงปัจจุบันเราไม่ต้องคิดเพียงกดสวิตช์ก็ใช้ได้พุทค์ที่เราบริกรรมอยู่ขณะมีความสะดวกสบายขึ้นมาเยอะเพราะพระพุทธองค์ได้ทรงผ่านมหากกรรมมามากต่อมากเพื่อไม่ให้ขัดต่อความเชื่อถือลัทธิต่างๆพระพุทธเจ้าองค์ทรงสวัสแกสาวก ว่าพุโทโธแปลว่าความบริสุทธิ์และพุโทโธก็แปลว่าผู้รู้และพุโทโธก็แปลว่าผู้ตื่นแต่ว่าก็ให้รู้ว่าพุโทโธแปลว่าผู้รู้นั <c oughs> ่นแหละหมายความอเมริกรรันเราจะต้องทราบว่างานทุกอย่างที่จะต้องเริ่มทำนั้นต้องใช้ความขึ้นใจ หมายความว่าจะต้องมีความกึกก้องอยู่ในใจนี้คือจุดหนึ่งของงานทุกสิ่งที่จะก่อตัวขึ้นไปสู่ความเป็นตัวตนจนถึงจนถึงขั้นจนตั้งขึ้นและสาเร็จลงความขึ้นใจนี้มีความสงคัญต่ อ, อ, ต, อ, อต่อทุกอย่างที่ควรจะเริ่มต้นถ้าไม่มีจุดนี้ก็ไม่มีงานใด ก็ไม่มีงานใดๆและจะไม่เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาได้แม้แต่มนุษย์และสัตว์คำบริกรรมถ้าจะเปรียบให้เห็นชัดก็เหมือนความเหมือนกับการขึ้นใจของมนุษย์ทั้งที่คิดการงานขึ้นทุกอย่างนั่นเองเออถ้ามนุษย์ทั้งหลายไม่สังเกตในการขั้นนี้ให้ดีก็จะเผลอโดยไม่สังเกตเส่วนสำคัญของความดำรกนี่ ดังนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงเข้าใจให้ชัดเจนและให้ความสำคัญแก่คำบริกรรมอย่าบาังเกิดเอาสารพัดเข้ามาสู่ใจจนเกิดความทุกข์บ้างสุขบ้างเป็นบางครั้งทั้งสุขกระทั้งทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความวิตกกังวลมาสู่ใจอย่างมากแต่ขั้นมานึกคำบริกรรมพุทโธขั้นมานึกคำบริกรรมพุทโธจนได้ที่ ก็จะเกิดความเยือกเย็นตัวเบาปลอดปลงเพราะอารมณ์ได้ถูกซักพก้อหรือกันคลองขึ้นมาให้สะอาดเกิดความเยือกเย็นคือความสุขชนิดที่เหนือความสุขไม่เคยมีมาก่อนจริงๆต่อไปคุณว่าผลขึ้นจริงผลไม่มาคุณนวลจันทร์รัตรุรุ่งโรจน์ก็คงไม่มาก็ขอเชิญคุณนวลทาหารสมบูรณ เออวันก่อนเคยกราบเรียนคั้งหนึ่งแล้วค่ะเอเขาจะใจไหมหน้อยเสียงไหมาหลักสมัชจรร์พระอาจารย์ค่ะอ่าใจเย็นแล้วจิอยากจะถามเรื่องเมื่อบริกรรมไปแล้วจิตนี่คำว่าพุทโธหายไปแล้วเราก็ยังรู้สึกตัวอยู่นี่จะทำยังไงต่อไปอีกคะ แม่เวลาที่บริกรรมแล้วนั้นถ้าเกิดความนิ่งขึ้นมาแล้วคําบริกรรมก็หยุดได้ถ้าดูไปเรื่อยใช่ไหมคะอ่าคือเมื่อหยุดแล้วมันมีสติก็คือความรู้ความรู้ก็ไปอยู่อยู่ที่ความรู้แต่ถ้าหากว่าเมื่อเราหยุดแล้วมันก็นยังเตรียมใจนึกคิดนึกอยู่จะต้องกลับมาบริกรรมใหม่ ข้อที่เป็นอ่าข้อไปขอเชิญคุณมวลพันธ์อรุณรัตนเสนีการค่ะเจอสิมีถามเรื่องนึงคือเรื่องสมาธินะคะเวลานั่งหลับตาไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันจะเห็นเป็นภาพคล้ายๆสีม่วงๆวนวงๆนี่มันเกิดจากแสงอะไรคะอาจารย์เอ่อที่มันปรากฏเป็นแสงวงอะไรตัต่างๆเหล่านี้วิจะกดปรากฏเป็นแสงอื่นๆก็ตาม สิงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกิริยาของจิตชนิดหนึ่งวิจิตของเรานี่มันจะมีกระแสะออกมาแล้วก็พอดีจิตมันสงบแล้วก็เลยเห็นเขาที่จริงนั้นน่ะมันก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าจิตไม่สงบมันก็ไม่เห็นสาธุคุณ อ, อาจารยต่อไปคุณมน นัฐมนคงไม่มาก็ขอเชิญคุณนันทรัตไทยสารเจริญนันทรัตกรรนมัสการพระอาจารย์ค่ะถามได้อีกใช่ไหมคะ อ, อถามไปเลยนะถามไปว่าใช่ไหมข อ, อถามอีกก็ได้ค่ะขึ้นมาแล้ว ออีกรอบสองไปแล้วปกตินะคะอโดยทั่วไปเนี่ยทุกบ้านเราจะมีโต๊ะหมู่บูชาในห้องพระใช่ไหมคะเอหลายคนหลายคนกล่าวว่าถ้าเราบูชาพระพุทธ ร, รูปด้วยรวมทั้งเอาอาจจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าอาจจะเป็นเอพระพิฆเนตรจะตั้งอยู่ในโต๊ะหมู่บูชาเดียวกันได้หรือเปล่าคะาพระกวนอิมพระพิฆเนศตั้งอยู่ด้วยกันได้ <C oughs> ออคุณนันทวันโตวใศัยเอน่าจะถามหมดแล้วเนี่ยชุดนี้ถามหมดแล้วนี่ไปเอาคนที่ถามแล้วมาหมดเลยเนี่ยแต ะ, ะเดี๋ยวจะไล่ไปนะแตเดี๋ยวไล่ไปว่าอคุณก็ขอขอหยุดก่อนอ่านันทวันโตวิศัยถามแล้วแล้วก็นา่าจรางังถามไม่อยังนา่าจะรางัง นาฏวรางทีข้าจิดถามแล้วหรือยังเนี่ยหมดเลยเนี่ยนารีเลิศธันธวงศ์ก็ถามแล้วเออ ค, เ อ, อ, อคุณนิดาโควงประเสริฐเรากคุณนิพนปัญชปัญญาบุตรปัญชาบุตรนิพนะ่ธ์อะ<ๆ>ลมเลยที่นี่เลิกใหม่ได้อะ มุทุนปัญชาบุถามแล้วอย่างนะ <laughs> กาบเรียนทุกทุกคุณหลวงพ่อครับผมขอกาบเรียนถามว่าสมาธิก็ดีภาวนาก็ดีปิติก็ดีสามประการนี้เอ่อเทียบเทียบกันแล้วธรรมะข้อไหนละเอียดอยาบกว่ากันครับสมาธิปิติภาวนาครับภาวนา เพื่อสมาธินั้นอ่ะได้เจ็บโภพโภอะไรอย่างเนี้ยเราก็มีสงบมีความรู้แล้วก็ภาวานานั้นแบดพวกที่เขาสวดมนต์แล้วก็สวดบันทอนว่าจวดอิติปิโสอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าภาวานาส่วนปิตุนั้นจะเคยชันเขายรกว่าถ้าเกิดปิติก็ การผสมเกิดขึ้นแล้วกราบขอพระคุณมากครับต่อไปขอเชิญคุณนิภาเทศพรบริบสุทธิ์กราบนมสักการพระอาจารย์ค่ะอ่าผู้อ่าข้าวไก่ไม่ดังๆน้อยกราบนมักการพระอาจารย์ค่ะจิตมีเรื่องจะเรียนถามคือว่าขณะที่จิตนั่งสมาธิอยู่ในขณะที่รู้สึกว่าจิตนิ่งแล้วจะเกิดความรู้สึกว่า จิตนั้นวิ่งไปข้างหน้าลักษณะเหมือนเข้าไปในอุโมงะคะ่ะจิตควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะส ง, สงบแล้วจิตวิ่งไปในอุโมงค์จิตวิ่งลักษณะวิ่งไปข้างหน้านะคะ่ะไปข้างหน้า<ะ>ไม่ได้เข้าอุโมงค์นะลักษณะจะลักษณะที่ที่ความรู้สึกก็คือลักษณะเหมือนเข้าไปในอุโมงะคะ่ะออันนี้ก็คืออเ่อ ที่เรียกให้เราต้องเรียกแล้วเราก็ต้องมีคนหนึ่งผู้รวมคิดใหรู้รู้ว่าจิตของเรากําลังไปงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งจิตของเราให้ิดใรู้เราจะไปเฝ้ามองตามคิดตั้งไว้คิดผห้รู้และจิตอ น, นั้นก็จะขับกำลัง ม, มาตั้งเองการทิดไปอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ดีเทไร ว่าถึงว่าถ้าเราตามไปถ้าตามไปนี่หมายความว่าจิตมันจะเกิดในอาการพุ่งออกเพราะฉะนั้นให้ตั้งจิตถููมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็มองไปก็แล้วกันขอบคุณค่ะที่มีนิทานนะถ้านะต่อไปขอเชิญคุณนิรันตียเพียนุราและกคุณ ต่อไปขอเชิญคุณมุชนาตประคองลงกราบนวัสการพระอาจารย์ค่ะคุณผู้คือบางครั้งบางครั้งนั่งสมาธิแล้วเคิ้มไปก็เหมือนกับว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ค่ะชัดๆแล้วก็เพาะคแล้วก็เห็นเป็นเป็นตัวหนังสือค่ะพอเสิกตัวก็พโทพทพ์ทพท์ต่อแบบอันนี้หมายความว่ายัางไงคะ กิริยาที่เป็นอย่างนั้นคือจิตเข้ารวังไปแล้วพอจิตเข้าเข้าระวังนี่อาจจะเราอาจจะได้ยินเสียงแต่คนอื่นไม่ได้ยินเพรกะนั้นหมายความว่า อ, ออกมาจากใจของเราเพราะว่าการสวดมนต์เราเคยได้ยินมาแล้วในที่ต่างๆพอจิตเรวังเสียงสวดมนต์นั้นก็เกิดขึ้น ในเข้าใจว่าในขณะที่เราได้ยินเสียงนมันเป็นปีสิชนิดหนึ่งจะเป็นเรื่องของคามแต่เมื่อเวลาที่เรากลับมานทุกขโภคใหม่ก็กลับกลมาเป็นสมาธิอันนี้ไม่จิดอันนี้เดินสะบไปอย่างนี้ได้ขอขอบคุณค่ะเพราะว่าการเข้าวาวังนั้นน่ะก็เป็นถึงท่ต้องการของผู้นั่งสมาธิอยู่ ต่อไปขอเชิญคุณมุชาราคุณมุาระธิรมปราดในวัตการพระอาจารย์ค่ะจากการที่เคยกำหนดยุบพองมาเป็นเวลานานเมื่อมาเรียนกับหลงพ่อแล้วเวลาปฏิบัติทั้งเดินจงกรมและนั่งสมาธิโดยเฉพาะตอนที่นั่งอยู่ตอนเริ่มเนี่ยได้กำหนดจิตไว้ที่หน้าผากและบริกรรมพุทโธพอไปสักระยะหนึ่งพุทโธหายไปกลายเป็นยุบพอง ก็ต้องคอยกลับมาที่พุโทโธอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนี้ควรต้องแก้ไขหรือไม่แล้วจะแก้ไขได้อย่างไรคะเออคื อ, อเป็นอย่างนั้นนั้นเพราะการบริกรรมพุโทโธเมื่อบริกรรมพุโทพธโธจิตก็เป็นผู้รู้เมื่อเวลาคองหนอยยุบหนอจิตก็เป็นผู้รู้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา ทำไปเรื่อยๆเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าอาการเริ่มต้นการเริ่มต้นนั้นอาจจะเปนท้องหน่อยยุบหมอยขึ้นมาเพราะว่าเอ่อจท้องหน่อยยุหม่อยก็คือการบริกรรมชนิดหนึ่งพุทโธก็คือการบริกรรมชนิดหนึ่งดฉะนั้นเมื่อเวลาจิตสั่งพุทโธพุทโธไปแล้วเนี่ยนานเท่าเนี้เอ่อ ข้นอกหน่อนยมันก็จะหายไปเป็นอัโนมัตและก็จะเหลือที่พุทโทนั้นแล้ในที่ผิก็จะเหลือที่พุทโธแล้วก็จะดำเนินจิตต่อไปได้แต่ก็คงต้องเข้าใจว่าน่าจะเป็นพุทโธละทองนอรุกหน่อก็คือคำบริกรรมนั้นเองอยู่ในลักษณะฐานะอันเดียวกัน เมื่อได้เริ่มพุทโธแล้วต่อไปใของเราทุนเราก็คงจะหมดไปเองหรือว่าในระยะส้นขอขอบพระคุณค่ะต่อไปก็ขอเชิญทุนมุตตราอัยจิตการในมรรการพระอาจารย์ค่ะติดอยากจะถามว่าการที่เรากําหนดนั่งสมาธิที่รู้ว่าพุทธเข้าโทออกกับการที่เราเข้าผวางังอะ ลาจะก่อให้เกิดการสะสมพลังจิตมากกว่ากันคะ อ, อการบริการพุทโธเป็นการสะสมพลังจิตมากกว่าแต่ว่าการเข้าเฝ้วังนั้นก็จําเป็นเพราะว่าพุทโธมากเข้ามากเข้าและสิตจะเข้าเฝ้วังเองเพราะว่าการเข้าเวังนั้นคือการเข้าไปดูอาชุดสมอนกายเข้าไปดูกายทยุดที น, นี้ การเข้าพวังนั่นก็จะต้องเกิดความกำานานเมื่อเวลาที่เราเข้าไปบ่อยๆครั้งเกิดความกำานานแต่พลังจิตนั้นที่ได้มากได้ตอนที่ก่อนจะเข้าพวังต่อไปเขาเชิญคุณบงกฎพรธนะมิยะสิขกรรมนรมาสการอาจารย์ค่ะ อยากให้คุอาจารย์เพื่อที่อธิบายก็ว่าจิตใจจิตนิดหน่อยค่ะจิตใจจินั้นหมายถึงว่าความรู้อยู่ทความรู้จิตนั้นไม่ได้คิดในทางอื่นในชุดในเวลาที่คิดไปทางอื่นนั้นในจุดนั้นมีอารมณ์คิดต่อไปเยอะๆแต่พอเวลา จิตกับที่ไม่ได้คิดเรื่อื่นนั่นคือจิดในจิตนีะแล้วจิต่งแบบจิตที่พุ่งสั้นหรือเปล่าคะเออจิดพุ่งสั้นั่นคือเออไม่ใช่จิตในจิตจิตพุ่งสั้นจิตที่เราอะไรต่ออะไรเห็นอะไรต่ออะไรไปมันอะไรอย่างนั่นอ่ะเราเรียกว่าจิตพุ่งสั้นแต่ถ้าจิตในจิตนั่งจิตมันไม่ได้คิดไปไหนมันตั้งอยู่ที่ใจ เขาจะปใจตั้งอยู่ที่ใจขอบคุณค่ต่อไปขอเชิญคุณ ด, ดันจงกำพลพันศาสมราการพระอาจารย์หลวงพ่อครับอยากทําว่าการทักจิตําอย่างไรครับการทักจินั้นเการไม่มีอารมณ์หนันจิตไดู้่การเั้ น, นอยู่ รูปหายรูปแบบอารมณ์แล้วเวลาเวลานานเท่าไรนัน่นคือการพักผิตเวลาที่จิตสงบเราอาจจะพิจารณอาอะไรต่ออะไรนั่นนั่นคือการพักผิตแต่การพักผิตนั่นหมายความถึงว่าได้ไม่มีอารมณ์รักไปอยู่ได้มานานจนกระทั่งเกิดความเย็นเกิดความสบาย เกิดความอิ่มใจอะไรจกลายเป็นฌานไปนะฮะก็เรียกวการพักจิตขอบพระคุณครับขออีกคนสุดท้ายคุณปันจวัตรหรืร์ไทย <c oughs> ครับนลมรดการพระอาจารย์บางแล้วครับสิตนี้ข้าสงสัยว่าจิตสงบแล้วเกิดเห็นเป็นคนหรือเป็นวัตถุใครที่ไม่ชัดเจนวิ่งเข้ามาหา มันคืออะไรที่มารบกวนจิตเราอ่อันนี้ไม่ใช่ึได้มารบกวนจะจะเป็นปรากฏการที่เรีย ก, กว่าตัวอารมณ์แต่อารมณ์นั้นน่ะมันได้เกิดความรุนแรงทุ่มมันก็กลายเป็นเหมือนกับมีรูปแต่ที่สิงนั้นจะเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเวลาที่ เออจิตของเราที่ได nice ้อขายหรือเก็บไว้ในใจเยอะๆอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านั้นน่ะอาจจะปรากฏให้กับเราได้เช่นเรานึกถึงผีนึกถึงเศรษฐนึกถึงคนโน้นคนนี้ที่ตายไปแล้วก็เอามาเก็บไว้ในใจพอเวลาจิตมันสงบลงไประดับหนึ่งเนี่ยสิ่งเรล่านันจะถายออกมาเหมือนกันกับ เราพูดว่ามันวิ่งมันเดินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ทำจิตให้นิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปอกังวลกับสิ่เหล่านี้พอจิตึ้นมาถึงท่านนี้ได้เนี้ยนั้นเรียกว่าจิตมันเข้ามาเป็นสมาธิท่านผู้ศรียะกาญไปแล้วขออีกข้อได้ไับก่อนที่จิตจะมาก็ได้เตรียมตัวโดยได้ ดูหนังสือคุณค่าแห่งชีวิตแล้วก็พอจะนั่งได้ส่วนในวันแรกที่มานั่งที่นี่แล้ววันที่สองได้เห็นนิมิตซึ่งเป็นข้อสงสัยทําไมผมนั่งอยู่ที่บ้านกืบไม่เห็นมาที่นี่ถึงเห็นนิมิตมนีนิมิตที่ตนพิมพ์าใช่ไหนิมิตที่ผมเห็นก็คือหลังจากนั่งแล้วเห็นแสงสว่างอยู่<อ>เหนือพระอาจารย์สักคู่หนึ่งแสงสว่างดับไปแบบจุดตั่วฮะก็เห็นเป็นรัศมีสิศเงินขึ้นรอบตัวพระอาจารย์ และอีสักคู่ก็เป่ยเป็นสีทองอันนี้มิตซึ่งผมสงสัยครับเอ่อเกิดจะต้องสงสัยต่อไปขอบระคุณครับเพราะว่าอันนี้บอกไม่ได้